ใความกลมและแสดงความนักถือแด่ท่านกระมาหาเทวราวิปัสสนาจารย์ซึ่งในที่ประชุมนี้มีพระเดอกุณและธรรมราชมาด้วยพร้อมทางท่านเจ้าคุณพระราชนิธิพนธ์ในฐานะ พวกในการศาันายุปัสสนทุลามหาวิเทไลการทุลาหลรงพ่ราชุเทไลหลวงพ่อพระครูมหาวาปีคณรักยุปัสสนจากอาบุสพระครูวรรคปัญญาคุณเศรษฐุนได้ชิ้นชิของของเจ้ากระปุนสมเด็จสมเด็จจะเปิดฝันของเจ้ากระคุนสมเด็จ พระพุทธาจารย์สุภาหาเจราเป็นต้นเป็นตัวแานขอจเจริญพรญาติโยมสาธารณชนทุกท่านซึ่งในที่ประชุมนี้มีท่านรองนายกโคการบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพันเลิศย่้มทิ่สง มาเป็นประธานในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยยาคุณหมอรัศมีคุณหญิงสุภองวรนณิศรในฐานะผู้รักาผู้สาววิเชียรและเป็นศิษย์คนสำคัญของเจ้าระคุณสมเร็จพระพุทธาจารยเป็นต้องในานามของมาหาวิทยาลัยมาหาจุฬาล ง, งกรณ์ราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาชื่นชมในการจั ด, จดกิจกรรมปฏิบัติธรรมหลับเรืเลกเศษนิ้แก่บรนคนสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสภ า, ามหาเสราล่วมกันซึ่งจัดโดยกองการวิปัสนาธุรก่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิปัสนาธุรกิของมหาวิทยาลายัย ซ, ซึ่งทั้งสองส่วนงานเป็นโบราธถรมที่เจ้าระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านได้รีเริ่มไหวโดยเฉพาะในการปฏิบัติธรรมสังจรตามรอยท่านเจ้าประคุณสมเด็จไปหน้าที่ต่างๆ เกิดเป็นกองการวิปัสนาธุระกิจวัดมหาธาตุยุราชาลเสรีและจดกระท่านเป็นกองการวิปัสนาธุรกในสังสารชุมประถมส่วนสถาบันวิปัสนาธุรกก็เป็นวรดกที่ยิ่งใหญ่ที่จะจระทุลสมเด็จท่านได้มอบให้มหาวิทยาลัยของเราเพราะ เมื่อท่านมาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยของมหาจุฬ า, านในช่วงหลังท่านได้ฝักฝันทุกนานวิปัสสนาธุระนี้ไว้กับมหาวิทยาลัยแต่แทนที่ว่าสถาบันวิปัสสนาธุระมาให้มหามาอาศัยมหาจุฬา กลาเป็นว่ามหาจุาลาอาศัยงานวิปัสนาธุรกของสถาบันเพราะถ้าขาดวิปัสนาจารย์ในสถาบันวิปัสนาธุรกและกองการวิปัสนาธุรกแล้วมหาวิทยายลัยมหาจุลาลงคอนอราชเทยาลัยก็จะไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทย ที่มาหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวและเป็นที่นิยมเข้ามาศืา่อสารสำหรับขรืออนทั้งหลายจนเราต้องกำหนดจำนวนว่าให้อยู่ไม่เกิน 30% ของทัศน์ที่เรียนขณะนี้เรามีคัศและขรือันเรียนอีก 24,000 รูปคน เรากำหนดเป็นนโยบายสถานมหาวิทยาลัยว่าให้เป็นคลุ่นหนักเรียนได้แค่ 30% ใน 24,000 แต่ตัวเลขล่าสุดเนี่ยในต่างจาังหวัดคลุ่นหนักเข้ามาเรียนเนยอะจำนวนผู้บวนก็ลดลงตอนนี้คลุ่นหนักมาเรียนมหาจุฬาเนี่ยน่าจะถึง 40% เราได้ตั้งเกณฑ์ว่าใครจะมาเรียนที่นี่ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามธรร ม, าามเป็นวิชาหลักครับนอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วจะต้องไปปฏิบัติตามธาารรมรวมกันตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดหล่อซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในตา่างจังหวัด มีบ้านที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่โดยกําหนดว่าถ้าเป็นปริญญาตรีให้เรียนให้ปฏิให้เรียนในห้องเรียนและปฏิบัติในห้องเรียนทุกสัปดาห์ยังไม่พอแต่ละปีต้องออกไปปฏิบัตกิกรรมาฐานร่วมกันไปปักกิ่อย่างที่ท่านทั้งหลายคําเนี่ยปีละสี่ปีละสิบวัน 4ปีก็สี่สิบวันและได้ปาดกรุณาจากกองกับวิปัสนาธุระในสถาบันวิปัสนาธุร ะ, ะรับภาระในการส่งวิปัสนาจารย์มาสอนปริญญาตรีปฏิบัติปีละสิวันร่วมกัน4ปีก็สี่สวันมิฉนั้นไม่จบไม่ให้ปริญญา ปริญญาโทต้องปฏิบัติกรรมฐาน30วันมิฉะนั้นเป็นภาคบังคับวิะนั้นไม่้จบปริญญาเอก45วันปฏิบัติกรรมฐาน45วันจึงได้รับปริญญาและยังมีปริญญาโทวิปัสสนาภาวนา ก็คือได้ปริญญาโทด้านวิปั ส, สนาธุระโดยตรงผู้ที่เรียนจบปริญญาโทจากในด้านวิปั ส, สนาธุระเป็นที่ต้องการอย่างมากโดยเฉพาะไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศผลิตไม่ทันใช้ผู้ที่จะจบ ปริญญาโทในสายวิปัสนาภาวนาต้องนอกจากเรียนในห้องเรียนในภาคทฤษฎีต้องปฏิบัติกรมมฐานเจ็ดเดือนและก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าคงหัก์ญาติโยมแม่ชีเนี่ยมาเรียนกันเยอะไม่ใช่แต่พระสงฆ์อย่างเดียวและกลายเป็นว่า สาขาวิปัสนาธุรก็เป็นหน้าแตนต่างของมหาวิยทลัยเจนตาบได้ว่างานด้านวิปัสนาธุรกนีทำให้มหาวิยทลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเป็นมหาวิทยาที่มีเอกลักษณ์พิเศษต่างจากมหาวิทยาชวบ้าน จนกระทั่งในปี 2,550 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ประกาศปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมเราจะไม่ใส่คำว่าพัฒนาจิตใจเข้าไปเลยถ้ า, าเราไม่มี เรื่องวิปัสนาธุระเป็นหลักสําคัญในการเรียนการสอนและการที่เรามีวิปัสนาธุระอยู่ในการเรียนการสอนแล้วก็เป็นปรัชญามหาวิทยาลัยต้องถือว่าเป็นข้อรู้ประการอันยิ่งใหญ่ขององค์ทุติยสภานายกหรือนายกสภามหาวิทยาลัยรูปที่สอง คือเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสมภะมหาเถร่ที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมอุทิศถวายเพิ่มบารมีธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จในอง์การรส114ปีชาตการรมคือท่านนับจต่ปีเกิดของท่าน2446มาปีนี้2560 ท่านกเา็เรียกว่ามีอายุโดยรวมจนถึงหลังบราณภาพมาถึงปัจจุบันตั้งแต่เกิด114ปีการที่เราระลึกนึกถึงท่านมาปฏิบัติธรรมรุ่นกันก็เป็นการแสดองออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณกระตักเวทีตอบแทนคนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเกิดที่วัดมหาธาตุ ได้บารมีของอดีตทธิบรีสมคือจ้าประทุนสมเด็จทุตก า, ารนำอาวิปัสนาธุระมาผสมผสานกับคันธุระทำให้เกิดควา ม, มดงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตกท่านทั้งหลายก็ทราบ ด, ดีว่าแต่โบราณมานั้นพระสงฆ์เข้ามาบวชในพระศาสนา มีทุรกสองประการหนึ่งคันถาทุรก 2. วิปัสนาทุรกคันถาทุรกนั้นเรียนพระไตรปิฎกเรียนตาหรับตําราเป็นวิชาการส่วนวิปัสนาทุรกเน้นการปฏิบัติกับรรมฐานทั้งสมกถกรรมฐานและ ว, วิปัสนากรรมฐาน เข้าใจว่าการแบ่งทั้งสองนี้มีมาตั้งแต่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ในสีหลังกาและเมื่อมาถึงสุขโขทยัยเราก็แบ่งเป็นคันธักทุรกขามาวาสีวิปัสนาทุรกอารัญยวสีดังนั้นในกรงสุขโขทยัย เจนนิมนต์มหาเถรปูครูมาจากนครศรีธรรมราชมาตั้งสำแน่งกรรมฐานที่สุโขทัยด้วยในสมัยอยุธยาก็ยังคงคันถาดทุรกิจปัสตานทุรกันเอาไว้ในส่วนคันถารทุรก ค, คือเรียนทฤษฎีเรียนพรนไตรปิฎกแบ่งออกเป็นสามชั้น เรียกว่าบาเรียนตรีบาเรียนโพบาเรียนเอกบาเรียนตรีก็เรียนบาเรียนหมายถึงบาคือครูบาอาจารย์เรียนก็คือเรียนหนัึสือนี่แหละบาเรียนบาเรียนตรีเรียนวิเนียปิฎกบาเรียนโพเรียนสุตตันตปิฎกบาเรียนเอกเรียนธรริธรรมปิฎกเรียนกันมาอย่างนี้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงะะรัตนโกสินทร์ราชการที่สองส่วนวิปัสนาธุระก็ยังถือปฏิบัติโดยฝ่ายอรัญญาวาสีก็ยังคงปฏิบัติกรรมาฐานมาจนเมื่อถึงแผ่นดิ น, ะะนรัตนโกสินทร์ราชการที่หนึ่งเป็นกฎหมาเราก็ยังคงคามวาสีคันฐา น, นธุระ วิปัสอรั ญ, ญาวาสีวิปัสนาธุระเรื่อยมาจะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่สามีการ เ, าเรามีปรากฏ ต, ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สาเราได้แบ่งการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะใหญ่ปัจจุบันเราเรียกว่าเจ้าคณะหน ล, ลองมาจากสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หรือเจ้าคณะหนมีสี่คณะเจ้าคณะเหนือเจ้าคณะตะวันออกเจ้าคณะกลางแล้วเจ้าคณะใต้ก็คือเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะหนุ่มสี่คนในปัจจุบันแล้วก็มีหนที่ห้าเรียกว่าเจ้าคณะใหญ่อารัญญวาสีสมเด็จพระสังฆราช ที่สถาปนาโดยรัชกาลนะสถาปนามาเป็นสัทธราชสถิตวัดมหาธาตุยุราชรังสีเป็นสมเด็จพระอริยุสยา น, นามของท่านคือสุขได้ฉายาว่าไก่เทือนตอนที่ยังไม่ได้เป็นสัทธราชเป็นพระยานาสวรสุขไก่เทือน สถิตนวัดราชสิทธารามวัดพลับที่วัดราชสิทธารามวัดพลับรัชการที่หนึ่งบูรณะขึ้นมานิมนต์วิปัสนาจารย์มาอยู่ประจำชื่อสุขได้ใช้ยาว่าไก่เทือนเพราะท่านเจริญเมตตาภาวนาจนสัตว์ทั้งหลายรักท่าน ไก่ป่าที่ว่า เ, เรียกว่าไม่เคยเข้าหาใครเนี่ยแต่บารมีเมตตามภาวนาของสมเด็จสุขไก่เทือนทำให้ไก่ป่านี่เข้ามาอยู่คอเพลียกับท่านเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์สุขมีเกียรติสัม อยู่แถวพิษณุโลกนครสวรรค์รัชการที่หนึ่งเมื่อสถาปนากรุงเทพมหานครได้นิมนต์มาอยู่ที่วัดคลับเพื่อสอนกรรมฐานกรรมฐานของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จสุขไก่เทือนเนี่ยเป็นแบบไหน ก็เป็นแบบที่สืบต่อมาจากอารัญยวาสีสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยานาันเป็นแบบที่โบราณอาจารย์ท่านสืบทอดกันมาราชการที่สองไปปฏิบัติกรรมฐานกับสมเด็จสุกไก่เทือนในสมัยราชการที่สองที่สามท่านเป็นรองสมเด็จพระราชาคณนะ ในราชทินนามว่าพระยาณสังวรเรามักจะวงเล็บว่าสุกไก่เถื่อนเป็นยาณสังวรรูปแรกในสมัยรัตนกโกสิทธิสิ่งเอกของพระยาณสังวรสุกไก่เถื่อนมีอยู่รูปหนึ่งก็คือเมื่อ พระเจ้าแผ่นดิสถาปนาสมเด็จพระญานาสังวรสุกไก่เถื่อนเป็นพระสังฆราชมาเป็นมาเป็นสังฆราชต้องย้ายมาประจำที่วัดมหาธาตุยุาราชนังสรีในสมัยโน้ตวัดมหาธาตุถือว่าเป็นตำหนักสมเด็จพระสังฆราชใครเป็นสังฆราชต้องมาอยู่วัดมหาธาตุตำหนักสมเด็จจุวันนี้สมเด็จพระญานาสังวร ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศยาดสมัยนั้น at ไม่เรียกว่าอริยวงศาคตยานนะครับเรียกว่าสมเด็จพระอริยวงศยาดสถิตวัดมหาธาตุมาเปลี่ยนราชทินนามเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตายานในสมัยรัชกาลที่ห้าตอนหน้านั้นเป็นสมเด็จพระอริโยวงศยาดสมเด็จพระสังฆราช สถิตวัดมหาราชพระสังฆราชที่ได้ราชเทีนานามว่าสมเด็จพระอริวงศาคันตะยานเริ่มในสมัยรัชกาลที่หก็คือสมเด็จพระสังฆราชสาเปลี่ยนสิปประโยคเป็นสมเด็จพระอริวงศาคันตะยานรูปแรกในสมัยรัชกาลที่ห้าสมเด็จ พระยานสังวรสุกไก่เรือพอย้ายมาวัดมหาธาตุเป็นพระสังฆราชผู้มาแทนอยู่ที่วัดพรับได้เป็นพระยาณสังวรอีกก็คือหลองสมเด็จนามเดิมชื่ อ, อด้วงเป็นพระยาณสังวรสอนกรรมฐ า, านลูกที่สองแล้วต่อมาพระยาณสังวรด้วงก็สอนกรรมฐ า, านอีกตามแนว สมเด็จสุขไก่เตืน้นถามว่ากรรมาฐานอะไรไม่ใช่วิปัสนาแบบเราไม่ใช่วิปัสนาแท้ๆอย่างเราในสมัยนั้นจะเรียกชื่ออะไรไม่ทราบแต่วัดราชสิทธารามในปัจจุบันได้รักษาประเพณีไว้ เรียกว่าการปฏิบัติกรรมฐานมันชฌิมาแบบลําดับเป็นอย่างไรก็เป็นฐานกนณีแล้วท่านก็อ้างว่าการซึ่งการปฏิบัติกรรมฐานมันชฌิมาเน้เ น, นสมถะจึงมีเดชานุภาพอินทริมว่ากันว่าแม้กระทั่งสมเด็จพุทธาจยา์โตโภพุรังสีก็สายดี และน่าจะเป็นสายที่ไปแพร่หลายอยู่ในภาคอีสานในปัจจุบันก็ฝากท่านทั้งหลายไปเทียบเคียงกันดูนะเพื่อ่างศึกษาแต่ว่านี่คือวิปัสนาทุระในประเทศไทยไหนๆก็ตั้งหัวข้อว่าการวิปัสนาทุระในพุทธศาสนาเล่าเฉพาะในประเทศไทยก็แล้วกันส่วนว่าการปฏิบัต ของสมเด็จพระยาณสังวรสุกไก่เถือนเป็นสมถะเป็นวิปัสนาอย่างไรแต่และท่านก็จะเน้นว่ามันมาบูรโมกันทั้งสมถะวิปัสนานั่นแหละทั้งสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานพระยาณสังวรด้วงเป็นรูปที่เป็นพระยาณสังวรรูปที่สองมีสิท์เอกขอโทษมีสิเอก เป็นยาณาสปวร์นไกนได้รับบรรดาสมรสักเป็นรองสมเด็จที่พระยานาสปอร์ชื่อด้วงแต่ชื่อบุญเป็นรูปที่สัรูปที่หนึ่งพระยาสาสปอร์สุดไก่เทือดย้ายมาเป็นพระสังฆราชอยู่วัดมหาธาตุพระยาสาสปวร์รูปที่สองชื่อด้วงและพระยานาสปวร์รูปที่สามชื่อบุญ เป็นวิปัสนาจารย์ใหญ่อยู่วันครับและทำให้รัชกาลที่สามอาราธนาพระวิปัสนาจารย์ทั่วประเทศไทยมาสัมมนาด้านวิปัสนาทุระเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่สามมีคันเดียวคือการสังขยาา ในด้านคันถธุระทาขึ้นในสมัยราชการที่หนึ่งที่วัดมหาธาตุชั้มรักและไตรปิฎกเป็นคำพีใบาลานที่ใช้มาปัจจุบันเนี่ยมาขยายมาเป็นหนังสือเรบวิบัติเนี่ยทำที่วัดมหาธาตุแต่ในด้านทีปรัสนาธุระยังไม่เคยทํามีการประชุมครั้งแรกในสมัยราชการที่สามโดยพระยาณสังวรไม่ว่าปุนร่วมเนี่ยหรือสุกไก่เกื่อเนี่ยแหละเป็นประธานจับไม่ได้ว่ารุ่นไหน และก็ไม่มีอีกเลยนะพอถึงราชการที่สี่ก็เปลี่ยนไปราชการที่สีที่ห้าไม่มีเจ้าคณะใหญ่อารยญญวาสีในสมัยโนต้ตเจ้าคณะใหญ่อารยญญวาสีในาชการที่สามนี่ยังมีอยู่พระญานสังวรสุกไก่เสื่อนเป็นเจ้าคณะใหญ่อารยญญวาสีพระญานสังวรดว้วยไอ้เจะพระญานสังวรดว้วย ก็เป็นเจานา้าคณะใหญ่อรัญวาสีพระยาณสังวรบุญอยู่วัดอรัญวาสีทั้งหมดก็เป็นเจ้าคณะใหญ่อาราัญวสีหลังจากนั้นไม่มีเจ้าคณะใหญ่อรัญวสีในสมัยนั้นก็คือไม่มีบทหน้าวิปัสนาสุระในสมัยรัช ก, กาลที่ห้าสองพันสี่พศสองพันสี่ร้อยสี่สี่สิเอ็ดสี่สิบห้าสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้า มีพระรานนชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกในประเทศไทยมีเจ้าคณะใหญ่อยู่ในกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับที่หนึ่งมหาเถรสมาคมดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดูแลกิจการคณะสงฆ์ทั้งหมดมีเจ้าคณะใหญ่ห้ารูปและรองเจ้าคณะใหญ่อีกห้ารูปรวมเป็นมหาเถรสมาคม เป็นคณะที่ปรึกษาด้านการศ า, าสนาของพระเจ้าแป่ดิษเจ้าคณะใหญ่เริมมีสี่เจ้าคณะใหญ่ฝั่งกลางหันเหนือหันใใต้ฝัตะวันออกแล้วก็บวกอรัญวาสีอีกหนึ่งเป็นห้าก่อนมีพรบสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้าแต่พอถึงพรบแล้วเจ้าคณะใหญ่มีห้าจนถึงปัจจุบัน เจ้าคณะใหญ่ผลเหนือผลใต้ผลกลางผลตะวันออกเป็นมหานิกายสีและมีเจ้าคณะใหญ่ที่มาแทนอารยวาสีเป็นคณะใหญ่ที่หในพรบรคณะสงฆ์ชื่อเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเจ้าคณะอารยวาสีนั น, นิปัสนาธุรก็เลยไปรวมอยู่ ในงานของคณะสงฆ์ทั้งหมดโดยที่สมณศักดิ์ของพระราชาคณะในปัจจุบันเนี่ยถ้าองค์ไหนเชื่อชาญด้านนิัสานาธุรักษ์ก็ได้พัดข่าววออิมีต่อท้ายว่าวิมีไม่กี่รูปหรอกราชสิทธิบุณีวิใช่ไหมนี่นี่นี่คือเป็น เจ้าเป็นวิปัสศ์ด้านวิปัสสนาทุระแล้วสมณศัพด์ผมไม่ทราบนะแต่นราจะเจกนามเนี่ยท่านวิเนลงท้ายอรั ญ, ญวาสีหรือเปล่านะคาบวาสีใช่ไหมโอ้ที่ถูกเนี่ยถ้าวิเน่มันจะต้องลงท้ายอรัญญวาสีเขาเกรงว่าถ้าอรั ญ, ญวาสีมันจะอยู่วัดมหาธาตไม่ได้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผู้ผู้สอนเจ้าประธานเนี่ยคือเจ้าคณะใหญ่คือคณะอราญญวาสีพอไม่มีเจ้าคณะใหญ่อราญยวาสีตั้งแต่รัชการที่สี่มารัชการที่ห้าก็ตัดไปเลยเหลือคันทัดทุระเหลือธรรมวาสีเป็นหลัจกจะเหลือกระเซ็นกระสายก็สายวิใช่ไหมแต่สมรรถสั์ลงท้ายว่าธามวาสี จะเป็นคามวานสีและอรัญวาสีท่านต้องเป็นสมเด็จก่อนสมเด็จพระราชาคณะอย่างหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจากเนี่ยสำเนาสักสุดท้ายในสำเนายาวมากนะแต่คำสุดท้ายเนี่ยจะมีคำว่าคามวานสีอรั ญ, ญวาสีแถมเข้าไปด้วยเฉพาะสมเด็จเท่านั้นนะเป็นอรั ญ, ญวาสีและคามวานสีคือรวมทั้งคันหาคุรัก วิปัสนาธุระด้วยกันในราชธีรนาธิพิชัยเป็นอินตังให้แต่ถ้าต่ากว่าแม้กระทั่งชั้นโรงเนี่ยรองสมเด็จเนี่ยขามาวาสีเท่านั้นจะเป็นอรัญจวาสีต้องเป็นสมเด็จส่วนระดับเขาเรียกว่าขาดหัวเนอะวิปัสนาธุระในประเทศไทยไม่มีเจ้าคณะใหญ่อารัญจรวาสียังไม่พอแถมระยะระดับล่างๆก็สมรสากึ่งขามาวาสีหมดเลย ไม่ได้รักษาอารัญญวาสีสมัยแรกกันที่สากไว้ในราชกิจธนานสำหรับระดับที่ต่ำกว่าสมเด็จถ้าอย่างนั้นขอท้าฝานนิดหนึ่งถ้าอย่างนั้นอรั ญ, ญวาสีเนี่ยมันขาดช่วงในเรื่องของการดูแลงานวิปัสนาธุร ก, กับกาบแมฆกองวิปัสนาธุรกัทั้งหมด บางฟื้นสมัยเจ้าพระกุลตัางแต่ผู้ท่านจารย์นี่แหละที่เป็นกองการวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยเพราะดูประวัติแล้วเนี่ยท่านเห็นว่ามันมันหายไปในะจนยากรพรรดิใหญ่อรั ญ, ญวาสีเพราะฉะนั้นท่านก็รวม ง, งานวิปัสนาธุระมาเป็นงานระดับชาติชื่อกองการวิปัสนาธุระหนึ่งเอามาอีกหนึ่งขึ้นมาฝากไว้ที่มหันจลาให้มหัจุลาดูแลเรียกว่าสถาบันวิปัสนาธุระ เพราะฉะนั้นท่านโคงการาวิปัสนาธุระ ก, กับสถาบันวิปัสนาธุระเนี่ยถือว่าเป็นการสืบทอดงานอาร ญ, ญาวาสีในสมัยตอนต้นรัตนกโกสิทธ์แต่งานวิปัสนาธุระในสมัยต้นรัตนกโกสิทธิ์เน่ยเขามีเจ้าคณะใหญ่อาร ญ, ญาวาสีก่อนจะหายไปโดยกฎหมายแล้วเจ้าคณะใหญ่รูปสุดท้ายน่าจะเป็น พระยานสังวรด้วยสมัยเรื่องงานที่สามไม่ได้ยินเสีทารานหลังจากนั้นก็ไม่มีพระยานสังวรอีกเลยสรุปว่าในสมัยในประเทศไทยสมัยนั้นนะโคสิษเนี่นยมีพระยานสังวรสามรูปในสมัยต้นเลยนะพระยานสังวรสุกไก่เทือนและตอนหลังเราไม่ค่อยเรียกเราเรียกสมเด็จพระสังฆราชอริวงสยา สุกเก่งแต่แต่จริงๆท่านเป็นญาณสังวรลูกแรกอยู่วัดลักลูกที่สองก็เป็นสิทธิ์ของท่านพระญาณสังวรด้วยรูปที่สามก็เป็นสิทธิ์ของพระญานาสังเอกรุษถูกแล้วเป็นลูกศิษย์ของพระญานสังวรด้วยชื่อพระญานสังวรบุญจบไปสามรูปไม่มีเลยจนมามีในสมัยรัชกาลที่เ้า เป็นพระสัญญาณสังวรรูปที่สี่ได้รับสถาปนาสมรศักิ์เป็นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชรูปที่ผ่านวัดปวรนีเวศวิหารเพราะฉะนั้นสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยท่านเป็นสมเด็จพระญาณสังวรตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระสังฆราชในราชการที่เก้าอยู่วัดสถิตวัดปวรนีเวศวิหารเป็นรองเป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระราชาคณะยังไม่ใช่พระสังฆราชท่านก็ถือว่าเป็นสมเด็จเป็นพระยานาสวรรค์รูปที่สี่สืบทอดมาจากงานวิปัสนาธุระในสมัยตอนต้นรัต น, ต น, ตนโกสินทร์คือสืบทอดกันและเมื่อจะสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชตามปกติพระสังฆราชถ้าเป็นสามัญชนขึ้นเป็นพระสังฆราช จะได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริอรวงสานคตตากใหญ่เหมือนสมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบันเนี่ยวัดราชบพิตรเป็นสมเด็จพระอริวงสานครตากใหญ่สมเด็จพระสังฆราชแต่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารท่านชํานาญไม่ใช่จะม้วพันธะกุละ ท่านเชื่อชาญในวิปัสสนาธุระด้วยพระองค์นึ่งเมื่อพระเจ้าแผ่นดินรัชการที่เก้าจะสถานายกย่องท่านเป็นพระสัคราชก็ไม่ได้ถวายราชเทียนน า, นาว่าสมเด็จพระอริโยงสารคตายัก ษ, ษาาเ์เช่นพระสังราชรูปกระปอนนั้นที่มาจากสามัญช น, นได้คงสมรสศ์สมัยที่เป็นสมเด็จพระยา น, นาสังบอร์ยกขึ้นเป็นพระสังราช พิเศษของเดียวในสมัยราชนะโกสิษน์นั้นสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสันทราชสกลมหาสังฆปริณายกในขณะที่สมเด็จพระสังสมเด็จพระยานสังวรรูปแรกเ่ยสุกไก่เถื่อนพอเป็นพระสันทราชไม่ได้คงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระานสังวรได้รับพระราชิำนามว่าสมเด็จพระอริวงศยานี่คือ ประวัติเกี่ยวกับบุคคลประจิจแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับงานวิปัสนาธรรมในประเทศไทยเจนี้ถ้าถามว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นปฏิบัติกรรมฐานแบบไหนก็ตอบว่าก็บแบบสมเด็จพระุทธาจารย์โตพรหมรังรสีสมเด็จพยานาสงอรสุกไกลเทือนเรื่อยหม่ เป็นประเพณีอย่างนั้นจนมาถึงสมัยรัชกาลที่เกา่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ทีนี้ไม่ใช่โตและอ่านแล้วนะท่านก็สืบประเพณีวิปัสนาธุระที่สมเด็จโตสมเด็จพระธาจาร์โตทําไว้เรื่อยมาแล้วก็ผสมสมสถะกับวิปัสนาเข้าด้วยกันเป็น มาเป็นสิ่งที่เราทราบกันดีก็คือกองการวิปัสสนาธุระสถาบันวิปัสสนาธุระซึ่งแน่นอนว่าได้รับอิทธิพลจากคำสอนมหาสีสยาอโดยผ่านท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีโชดกที่ไปเรียนอยู่ที่นั่น ในก่อนในช่วงสอง6สรเก้าสิบหกท่านไปเรียนอยู่หนึ่งปีทีนี้ถ้าเราไปศึกษาคำสอนของท่านมหาศรีสยาดองท่านอธิบายหมดว่าการที่จะกำหนดทองหนอยุกหนอท่านต้องมีสมถะคือมีสมาธิในคำเทศนาของท่าน การที่ท่จะกําหนดทันนานมีสติท่านเนี่ยสมาธิมันจะต้องเป็นทันติกาสมาธิแล้วเอาสมาธินี่เป็นบาทของวิปัสสนาเพียงแต่ว่าในประเพณีของกรรมฐานในประเทศไทยก่อนนั้นเนี่ยสมาธนีพอสมควรไปเดียวใช้เวลายเยอะจนขึ้นสู่วิปัสสนาแต่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อพูดถึงวิปัสสนาก็รวมสมาธิคือสมถธิไว้ด้วย ก็รวมขวามว่าการวิปัสนาทุระในประเทศไทยเป็นยุคทัคคือคู่มีทั้งสมถะ ม, มีทั้งวิปัสนาและเวลาไปปฏิบัติเนี่ยเราจะเน้นกันคนละอย่างนะบางสํานักเนี่ยเน้นสมถะเยอะในประเทศไทยเน้นสมถะเยอะเรียนกันสั้นๆด้วย รุ่นที่แปดสิเอาสิบนะร pic, ุ well. ่นไหนมันเคยไปประตัดเคยไปเปิดงานเขาด้วยในนานาชาติไม่อยากบอกว่าที่ไหนเรียนเร็วมากนะเน้นสมรรถอันนี้เราก็ต้องพูดในความเป็นจริงแล้วก็ได้ผลเร็วคือศีลทาให้เกิดสมาธิสมาธิทําให้เกิดปัญญาไปหยุดอยู่สมาธิจิตสมองบบนแห่งบางที่ ไปเน้นเรื่องจิตสงบเป็นสมถะแล้วไปสอนเนี่ยลูกศิียลูกหายเอะเงินทองไหลเข้าตอนนี้ไม่ทราบว่ายังมาหรือเปล่าเพ่งอะไรก็ไม่รู้โดยเขาบอกว่าเป็นสมถะแล้วให้เจ้าสำนักนั้นเนี่ยมาปฏิบัติกรรมฐานยวทธะหลายขั้น มีประวัติอยู่เพื่อบริบัติให้มันเป็นทันสมถะกบับวิปัสนาอันนี้ไม่เอ่ยชื่อกันละกันนะไปคิดเอาเองว่าใครเพื่อให้เห็นว่ามีความพยายามที่ผสมผสารสมถะ ก, กับวิปัสนาเข้าด้วยกันทันในช่วงเจ้าประคลณสมเด็จพุท ธ, ธาจารย์และในสมัยปัจจุบัน อย่างไรก็ต่างพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยมหาชรารุงตอนราชวิไลมีสถาบันวิปัสนาธุระซึ่งก็รับบรดก ม, มาจากเจ้าระคุณสมเด็จพุท ธ, ธาจามาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติของนิสิต น, นักศึกษาครูบาอาจารย์แม้ชื่อจะเป็น สถานบันวิปัสนาโธระเราก็ยึดหลักในสติปัฏฐานทัน์เลมหาสติปัฏฐานทัศ น, น์เใครจะเรียกว่าเป็นสายไหนสายไหนไม่รู้เลยแต่มหาจุฬาเนี่ยเรียนพระไตรปิฎกเราไม่ได้ปฏิบัติเป็นใครมาสอนแล้วก็ปฏิบัติเราจะตรวจสอบก่อนตรวจสอบโดยศึกษาในสติปัฏฐานทัศน สติปัฏฐานาสูตรมีในพระไตรปิฎกสองที่ในทีคณิกายกับมัชฌิมานิกายในทีคณิกายเป็นมหาสติปัฏฐานาสูตรในมันชฌิมนิกายเป็นสติปัฏฐานาสูตรคนละชื่อแต่พอไปดูเนื้อหาตรงกันทุกกัว พ้าสูตรในมันเชเมนิกายชื่อสักสติปัฏฐานสูตรในทิฏฐีคณิายเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรแต่เนื้อหาเหมือนกันทุกตัวจสอบแล้วทำไมท่านเก็บไว้ละ่ะในสองที่ทำไมไม่บอกว่ายุควมกันนะ้ํคำตอบอยู่ที่อัตการฐา อัจฉริยะคือคําอธิบายพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่พระพุทธเจ้าตรัสอัจฉกถาคือคําของอสีติมหาสาวกและภาษาวกรุ่นหลักภาษาลิบุตรก็ถือว่าเป็นรุ่นอัจฉริย ก, ก็ได้อย่างจูรนิเทศมหานิเทศเนี่ยคืองานอัจฉริยแต่โดยภาษาริบุตร แต่เนื่องจากว่าอยู่ในยุคพุทธิจ้าเราจรึงเอาเป็นพระไตรปิฎกปณิสัมพิษาอะไรก็ตามครั้งอานาถาจารย์คือสาวกพุทธิจ้ารุ่นที่ทันเห็นพุทธิจ้าบ่าหรือไม่ทันเห็นแต่อยู่มาประมาณหลังพุทธิจ้าประมาณ1้อย0 0 3 0้4 0สาสรอปีช่วยกันตีความพระไตรปิฎกว่าคำนี้หมายถึงอะไร ภาษาฟราแล้วรวบรวมมาเป็นหนังสืออัจฉริยภาษาอังกฤษแปลว่าคอมเมนต์รีสค m มเมนต์รก็คือคำอธิบายพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีตอนนี้มหาจุฬาพิมพ์หมดแล้วพระไตรปิฎกสี่สิบห้าเล่มภาษาบาลีพิมพ์หมดอัจฉริยะหกสิบเจ็ดสิบเล่มมีหมดจนถึงดีกาอนุดีกา ดังนั้นพระไตรปิฎกของพูทเจ้าเนี่ยใครจะตีความโดยความคิดตัวเองไม่ได้เพราะจะมีคอมเมนต์รี่คืออัตรกถาที่พระเถระที่เกิดทันพูทเจ้าบ้างหรือต่างทางเจ้าร้อยสองร้อยปีเขียนเอาไว้เป็นภาษาบาลีมหาจุลาเวลาแปลพระไตรปิฎกฉบับมหาจุลานี่เปิดคำอธิบายนี้ก่อนไม่ใช่ใครก็จะแปลเอาไงไี้เลยยกตัวอย่าง อัตตาฮีอัตโนนาโถเนี่ยง่ายๆดีแหละต้นแลเป็นที่พึ่งของตนเวลาเราแปลในภาษาไทยเราแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนแต่ฝรั่งไปแปลที่สมาคมบาลีปกรณ์สมัยตน้ตนๆแปลที่อังกฤษแปลว่าต้นใหญ่เป็นที่พึ่งของตนเล็กอัตตาฮิอัตโนนาโถอัตตาแรกเป็นต้นใหญ่ เป็นที่พึ่งของตอนเล็กลากเข้าศาสนาปราบคำว่าตนใหญ่คือปรมาณตตมันเป็นที่พึ่งของฉีวานตมันในศาสนาปราับตนใหญ่คือพระเจ้าที่มาจากพระพรหมมาอยู่ในเราไม่ได้ตายเป็น้อมกับเราเป็นกายทิพย์เป็นที่พึ่งของขันห้าลากเข้าศาสนาที่มีพระเจ้าไปเลยอ่ะแล้วเราจะบอกอย่างไรว่าเขาแปลผิดอ่ะ เพราะว่าเปิดดิบที่มันแปลได้อย่างนั้นพจนานุกรมก็แปลได้แต่เราต้องไปดูอัตรกระถาคอมเมนต์รี่ที่ทศสาวกุลพุทธเจ้าท่านเกิดทันท่านรู้พุทเจ้าหมายถึงอะไรเขาว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนที่นี้หมายถึงสมมติสัญจาขันห้าเนี่ยรวมเป็นตัวตนขันห้ารวมเป็นตัวตน แล้วไอ้ขันห้านี่แหละต้องมีความพยายามเองปฏิบัติธรรมเองจึงจะพ้นทุกไปนิพพานคือเรานี่แหละพูดง่ายภาษามนุษย์เนี่ยก็ตบ น, นี่แหละคือแค่นี้แหละปฏิบัติธรรมมันก็ไปถึงนิพพานอ่ะพาราเวปัญจขันธ์าภารสูตรขันธ์ทั้งหลายมันหนักจริงจงหนองภาระเป็นภาระ พาราเวปัญจขันธ์หขันห้าเป็นภาระภาระหาโรมีคนแมกภาระภาระนิเขปะนะวางภาระเป็นสุขถ้าไม่มีอัจฉรถาะนะแปลไม่ถูกเลยในสมัยโน้นอันฉรถาะยังไม่แพร่หลายมีสานักหนึ่งแปลว่าอะไรรู้ไหม พาร า, าเวปัญจัขันธาขันห้าเนี่ยเป็นของหนักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาพาราภาระหาโรคนที่แบบพาระคือใครคือบุคคลท่านหมายถึงบุคคลและบุคคลนี่คือใครมีสำนักหนึ่งตีความว่าไม่ใช่ขันห้าไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขาร มันคือบุคคลซึ่งหมายถึงชีวะหมายถึงปรมาตามันเท่าศาสนาอิามอีกแล้วพระเจ้าสรงมาสิงเหมือนกายทิพ์อยู่ข้างในพอร่างกายแตกดับไอตัวนี้แหละไปไปหาพระเจ้าเลยเรียกว่าบุคคลแล้วไปสอนที่คำสอนว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่ามีบุคคลนอกเหนือนจากขันห้า เราเรียกว่าเป็นคำสอนเพีย้ยนและไม่ใช่คำสอนพื้นเจ้าในสมัยพระเจ้าอาโศกจึงขับไล่ออกไปทุกวันนี้ไม่เหลือแล้วแต่เขาเรียกว่าปุกขละวาทีนิกายปุกขละวาทีถ้าไม่อ่านอัตกถฐานะ่ะแต่กันไม่รู้กี่นิกยแตีความเพี้ยนเหมือนในประเทศไท ย, ยนิพานเป็นอัตตาอะไร เทียกันอะมันมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกความเจ้าอาโศกแต่อัตกรถาเนี่ยช่วยให้เราอ่านได้ถูกต้องขันห้าเป็นภาระบุคคลก็คือขันห้านี่แหละยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีสัตว์บุคคลมีตัวตนเราเก่า เพราะฉะนั้วางภาระลดความเสื่อมยึดมั่นถือมั่นก็ถึงก็วางภาระก็เป็นสุขก็ข้ามผ่านกล่าวถึงมหาสติปัฏฐานสูตรทีสติปัฏฐานสูตรชื่อสั้นกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรชื่อยาวกว่าอยู่สองที่ในมันชฌิมนิกายกับทีคนิกายทีคณิกายแปลว่ารวมพระสูตรเลื่องยาว มัชชิมานีกายไปว่ารวมพระสูตรขนาดใหางแต่สรุปแล้วยาวทั้งคู่เนื้อเท่าเนื้อหาเท่ากันแล้วทำไมจึงไม่ยุบรวมให้เหลือที่เดียวคำตอบนะครับเพราะอัจฉรถาเป็นเหตุสมัยนั้นมันไม่มีสารบัญนี่ว่าพระพระสูตรนี้เกิดซ้ำกันที่ไหนอย่างไรพระพุทธโฆสาจารย์ท่านไปแปร อาตกถาเป็นภาษาบาลีที่ศีลักาใครท่านแปลหรือท่านแต่งเพิ่มก็ไม่รู้แหละพราถึงมหาสติปัฏฐานาสูตรในทีคาริกายท่านก็แต่งอาตกถาให้เวอร์ชันหนึ่งพอไปถึงมัชฌิมานิกายซึ่งมันอยู่ตอนกลางท่านก็แต่งอาตกถาให้อีกเวอร์ชันหนึ่งแปลกฏว่าทีคาริกายเนี่ยมาก่อน เป็นพระสูตรจหญอัตตกถามหาสติปัฏฐานสูตรแต่งไปครั้งที่หนึ่งสั้นกว่าที่ไปแต่งให้มัจฉิมานิกายเพราะฉะนั้นอัตตกถามสติปัฏฐานสูตรในมัจฉิมนิกายยาวกว่าอัตตกถามหาสติปัฏฐานสูตรในทีคนิกายเวลาเราปฏิบัติกรรมฐานสโตูจะสัมประชาโนเโนี่ย คำว่าสัพพัญะคืออะไรเนี่ยในทีคณิกายพูดไว้สันส้นๆแต่ในมันชฌิมนิกายอัตกรถามัชฌิมนิกายอธิบายสัพพัญญะสี่ท่านไปหาในอัตกระถามหาเดชฐานสุตรไ่เจอหรอกต้องไปหาในมันชฌิมนิกายถึงจะรู้ว่าสัพพัญญะสี่คืออะไร เวลาอธิบายสัพพัญญัเนี่ยตาย่างจากสติอย่างไรไปดูอัจฉริยะท่านถ้าท่านไม่ดูอัจฉริยะท่านอธิบายเองมันผิดแล้วพอกําหนดไว้สนะครับสัพปปชัญญักษ์รู้ได้ไงว่ามีสในมันชฌิมนิกายอัจฉริยะเอเป็นตัวเป็นที่บอกไม่มีในทีคาิไกยมห า, าสิทธิมหาสูตรสอย่างมีอะไรบ้างครับสติปัฏฐานกระโทสสัพปพัญญักษ์สี่ ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ท่านในพระไตรปิฎกไม่มีนะครับมีแต่คำว่าสัม ป, ช, ป, ปชัญญะบัพพะแต่ไม่ได้แยกสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยว่ามันเป็นสัมปชัญญะสี่อย่างไรไปแยกในอนตรรถาหนึ่งสาธากะสัมปชัญญะสาธากะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สอง เรียงลดับนรัเรียงลำ ด, ดับไม่ถูกข้อที่3เนี่ยโคจระสัพชัญญะแล้วข้อที่4อ่เนี่ยอสงมหะสัพพัญญะข้อที่2อะไรอ่ะไปว่าหนึ่งสอามึงี่ยนะท่านพูดไว้หมดเลยสัพา ย, ยาะท่านโคจระาาสารสกัสััญญะสัพายะสัพชัญญายยาะ โคจรสัพปัจฉิยะอาสามโมหัสัพปัจยะแต่ใอย่างหมายถึงอะไรนะท่านไปเปิดเอาอ่านเอาเองที่เล่าหมายอย่างนี้เนี่ยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยแสดงให้เห็นอะไรครับระยะหลังนะครับอันนี้พูดถึงสมัยก่อนท่านแยกคันขัจุรากับวิปัสนาจุราแยกกันขอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ ทรงทางที่เชี่ยวชาญในคันถาธุระจบป ร, รียธรมกล้าประโยคไปปฏิบัติกรรมฐานแล้วเอาวิปัสสนากรรมฐานมาสอนพวกเราเนี่ยสแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าท่านรวมคันถาธุระเข้ากับวิปัสสนาธุระในคนคนเดียวกัน ปกติประโยคน์เก้าไม่ค่อยปฏิบัติกรมรมฐานท่านบอกเอาเจ้าคุณโชโดกมหาโชโดกนี่แหละประโยคน์เก้านี่แหละไปปฏิบัติกรมรมฐานแล้วปฏิบัติเสร็จอย่าไปทิ้งพรนะไตรปิฎกเนอะอย่าไปทิ้งอันตรรดาเ น, นะเวลามาเทศมาสอนกรมนรมฐานลำดับยานเนี่ยอ้าพ น, นพระไตรปิฎกให้ได้ อย่าำวจึงทำให้ให้วิปัสสนาธุระในประเทศไทยเนี่ยเป็นพยักติปีติปกติพระนั่งกับประธานท่านไปพูดเยอะหนอไปนั่งแล้วจะรู้วิปัสสนาธุระจะนิ่งๆจะไม่ประเทแต่เมืองไทยเราเอาวิปัสสนาธุระบวกคันธาธุระ สอนกรรมฐานได้อย่างอัศจั์เป็นอนุสาสนีปฏิหาริย์คือวิสัยทัศน์ของเจ้าระคุณสมเด็จพุทธาจารย์นี่แหละทำไมท่านไม่ส่งพระนักธรรมเอกไปมากว่าลเพราะครูอ๋อก็ส่งไปนะแต่เวลามาสอนเนี่ยประโยคเก้ามีประสบการณ์ปฏิบัติกรรมฐานจะสอนได้อัศจั์ นี่คือขรูปการที่ท่านรวมคันถักรักคือเรียนพิษฎีปริยัตปฏิบัติปัติเวทเขาได้กันในญี่ปุ่นนะครับแยกปริยัตออกจากปฏิบัติปริยัตเป็นคันถัุรักปฏิบัติเป็นวิปัสนาธุรกไม่รวมกันเกิดเป็นนิกายอะไรครับ ดังไปทั่วโลกทุกวันนี้นิกายวิปัสนาเอ็นิกายที่มาจากวิปัสนาธุระอย่างเดียวแต่ไปสอนก็ได้ผลนะครับคือผมไม่ได้หมายความว่าต้องมีวิปัสนาธุระขันธ์ธุระตามลำดับปริยัติปฏิบัติมันถึงจะได้ผลแต่ในญี่ปุ่นเอาวิปัสนาธุระเป็นหลัก ดังไปทั่วโลกมาถึงประเทศไทยด้วยคือพระพุทธศาสนานิกายเซนครับเซนที่วิปัสสนาธุระแท้ๆเลยนะครับแล้วอา่านหนังสือของเซนเนี่ยจะรู้เลยว่าอาจารย์เซนไม่พูดมากและหลายท่านเนี่ยสอนแบบเซนเนี่ยผมรู้สอนแบบเซน ตั้งปริศนารามครับเขาเรียกโคอ่านโคอ่านแบบญี่ปุ่นเนี่ยโคอานแปลว่าปริศนาถ้าทั้งหลายคงเคยได้ยินปริศนาธรรมของเซนปริศนาธรรมของเซ น, นเป็นยังไงครับเอาวิปัสสนาทุระเป็นหลักเช่นเขาบอกว่าเวลาเห็นทองมันปลิวสวัยเนี่ย พงเนี่ยนะลมพัดปลิวสวัยพระบวชใหม่สองรูปเทียงกันองค์หนึ่งบอกว่าลมพัดทำให้ลม เ, เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของลมทำให้ทงมันปลิวอีกองค์หนึ่งบอกว่าไม่ใช่ลมทงตันหารบรรสบัต เราจะเห็นธงปลิวสวายพระใหม่เทียนกันอาจารย์เซนเดินมาถามว่าเทียนกนเรื่องอะไรองหนึ่งก็บอกว่าทุกที่ผมเห็นเนี่ยนะครับผม ว, ว่าไม่ใช่ธงมันปลิวหรอกลมมันพัดอีกองหนึ่งไม่ใช่ลมไม่ใช่ลมครับธงสิครับผมดูธงธงมันเคลื่อนไหวคนหนึ่งบอกว่าลมมันเคลื่อนไหว อีกคนหนึ่งบอกทงมันเคลื่อนไหวอาจารย์ว่าใครพูดถูกอาจารย์บอกว่าผมว่าไม่ใช่ทงไม่ใช่ลมใจคุณต่างหากที่มันเคลื่อนไหวใจคุณพูดเท่านี้ก็สารโตริบรรลุเลยเออนี่คือเซนครับถ้าพูดตรงนี้ก็หมายความว่าเซน มาจากการออกเสียงของญี่ปุ่นในคําว่าชานชานที่เราเรียกว่าชานสมาบัติอ่ะงคนญี่ปุ่นเรียกว่าชานเรียกชานว่าเส้นไม่ใช่เส้นหนังสือนะ่ะเส้นของญี่ปุ่นหมายถึงชานเพราะฉะนั้นชานก็คือกรรมฐาน แล้วคนคนญี่ปุ่นเอากำฐานมาใช้ในชีวิตประจําวันดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงประสบความสำเร็จในการทำงานเขาเรียกอะไรครับเซนในชีวิตประจําวันเอากำฐานมาใช้ในชีวิตประจำวจัดดอกไม้เนี่ยถ้าจัดแบบเซน จ, จะสวยกว่านี้จัดด้วยสมาธิ จัดด้วยสติสมาธิแม้กระทั่งเล่นกีฬาก็เป็นเสร็จตีกรองก็เป็นเสร็จคนญี่ปุ่นพัฒนาจิตด้วยกรรมฐานสร้างชาติด้วยกรรมฐ า, มหม า, ามนหมายความว่าไงครับหมายความว่า เขาเอาเขาไม่ได้เน้นปริยัติก็จริงเอากรรมฐานไปปฏิบัติแต่มันไม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐานเขาเอากรรมฐานมาใช้ในชีวิตประจำวันและประสบความสำเร็จอย่างดีอันนี้ที่ไทยยังไปไม่ถึงการวิปัสสนาธุระในบางประเทศเนี่ยครับ ได้ออกจอากห้องกรรมาฐานจากท่านไ ป, ไปอยู่ในชีวิตประจวันจะยกตัวอย่างกันหน่อยครับซามูไรนะครับนิยมไปเรียนเส็นเรียนกรรมาฐานแบบเส็นก็คือเรียนกรรมาฐานกันแล้วกันเพราะอะไรครับเพราะว่า การดวลดาบแบบซาบุไรเนี่ยมันฟันทีเดียวนะครับมันไม่ได้ล้ำเป็นร้อยกระบวนท่าอย่างพุทไทยสวรรค์เราถ้าเราดูหนังไทยกับหนังญี่ปุ่นดิโอ้ยของเราดิล้มกับพ่อบ้ากันสาว่าตอนคืนหรือลบกันอยู่นั่นหรืไม่รู้กี่กระบว น, นของญี่ปุ่นนะครับซาบุไรมันแ บ, บนะ็อดาถือดาบยาวอย่างงีนะ้มันวิ่งสวนกันนะครับ อยากกระพริบตานะครับสวนนี่อะไมันยังไม่หยุดมันวิ่งเลยนี่นะและเรายังไม่รู้ว่าคนไหนชนะมันวิ่งเลยไปแล้วก็ถือดาบทำอะไรอย่างนี้ไอ้คนหนึหน่งก็ถือดาบหันหลังให้กันแล้วเขาวิ่งสวนกันแล้วอีกทีหนึ่งมันก็จะเห็นว่าใครชนะก็ตรงที่กล้องมันจะไปอยู่ไอ้ฝ่ายแพ้ค่อยๆถือดาบนะแล้วค่อยๆแยกออกเป็นสองซี่ขณะถูกฟันขาดสองซี่มันยังวิ่งได้นะครับ นี่คือซาบุไรเนี่ยมันคมมากแล้วฟันทีเดียวเนี่ยตายเลยใครดาาเร็วที่สุดคนนั้นชนะฉะนั้นซาบุไรของญี่ปุ่นจุดเครียดทุกครั้งเวลาไปดวลเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรเนี่ยนั้นมันจะช้าลงและจะตายไอที่ปราบเข้ามาเนี่ยไปเชิญซาบุไรที่เร็วกว่าเราก็ตาย ฉะนั้นพวกที่เป็นส a m u r a จึงไปเรียนกรรมฐานเพื่อให้จิตว่างเรื่องจิตว่างเนี่ย Empty Mind เนี่ยสุญญาตาเนี่ยนะครับเป็นหลักของเซนไม่ยึดในเรื่องของกรรมฐานส a m u r a ก็เรียนอีกเรื่องหนึ่งครับเราดู สุโมไหรือจับสุโมนะคนตัวใหญ่ๆคนญี่ปุ่นเว่นแบบญี่ปุ่นแบมันขุจนจนอ้วนเลยนุ่งจงกระเบนเหมนผ้าเตียวแล้วมันมาชนกันนะครับชนกันคนไหนแรงเยอะชนอีกเพื่อนก็ะเด็นออกไปนอกวงคนที่อยู่ข้างในชนะสุโมมีคนคนหนึ่งครับเรียนสูโมเป็นสูโมเนี่ย ชนะทั่วเลยครับไล่มาตามลำหนักปลาเขามาตั้งแต่บ้านนอกจนมาถึงในเมืองพอแข่งชิงแชมป์เปียนระดับประเทศแพ้ทุกทีถ้าแข่งทั่วอลกชนะแต่พอขึ้นเวทีแพ้ทุกทีจึงไปหาอาจารย์เซ็น ไปหาอาจารย์เซนไปถามว่าช่วยหน่อยครับทำยังไงที่จะเอาเซนมาให้ผมเป็นแชมป์ไม่ได้แท่งที่ไลผมแพ้ทุกทีพอเจอคู่แข่งที่มันเป็นแชมเก่านะมันมีโอ้โหเราก็นิยมมันนะอะไรปะใจมันฝ่อทุกทีสู้เขาไม่ได้ อาจารย์เซนก็ถามว่าและคุณเวลาแข่งเนี่ยใช้ฉายาว่าอะไรผมมีฉายาว่าซุนามิพลื่นยักษ์เอาแล้วพลื่นยักษ์มันทำไมใจบราซิลเอาอย่างนี้มานั่งกรรมฐ า, านแบบเซนนั่งหันหน้าเข้าข้างฝาเข้าข้างฝา แล้วหลับตาภาวนาชื่อตัวเองสึนามิแต่คิดภาพตัวเองให้เป็นคลื่นยักษ์ด้วยคลื่นสึนามิซัดเข้ากำแพงข้างหน้าซัดให้พังเมื่อไรแล้วถือว่าสำเร็จแกก็ปฏิบัติเลยหลับตาจิดเหมือนกับสึนามิสึนามิภาวนาไป แล้วเกิดนิมิตนั้นนิมิตเป็นตัวเองไปคลื่นซัด ก, กำแพงตั้งแต่หกโมงเย็นยันเที่ยงคืนนั่งอยู่พอเที่ยงคืนวิ่งไปหาอาจารย์ปลุกอาจารย์ขอประตูปุ๊บๆๆอาจารย์ตื่นได้แล้วทำไมตอนนี้ผมซัด ก, กำแพงวันทั้งไม่ยังหมดแล้วผมจะทำอะไรต่อในนิมิตเขาเนี่ย ไม่เหลือที่เดียวเลยซัดมาแล้วอาจารย์เซนก็บอกมาฝึกอีกหน่อยนะซัดไปให้ทั่วเปลือพอฝึกดีแล้วอาจารย์เนี่ยต่อไปก่อนขึ้นแข่งมองตัวเองเป็นคลื่นกันซัดคู่ต่อสู้ให้กระเด็นเลยนะให้มันกระเด็นออกไปนอกวงกลม ทีนี้พอขึ้นแต่ก่อนนี้เวลาจะขึ้นแข่งนี่มันจะมองผู่ต่อสู้กลวนีภาวนาอยู่เดียวซุนุมิสุนุมิขึ้นไปตุ้มเดียวพวกกระเด็นไปด้วยเลยเป็นแชมป์ญี่ปุ่นไปเลยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าอะไรกรรมฐานเอาไปใช้ทุกเรื่องในญี่ปุ่นเซ็นจึดังไปทั่วโลก พระุทธศาสนาจากเอเชียเมื่อเข้าไปเผยแพน่ในยุโรปอเมริกาเมื่อร้อยปีมาแล้วสมัยรัชกาลที่ห้าอเมริกาไม่เคยมีพุทธสนาเข้าไปเขาจัดประชุม World Parliament of Religions ตอนนั้นมีเอ็กปที่ชิคาโกร้อยกว่าปีล้วประมาณ1้อยสิบปีมาแล้ว พอมีเอ็กซ์โปคือจัดแสดงสินค้าทั่วโลกที่ชิคาโกชาวอเมริกันบอกทำไมไม่จัดประชุมาศาสนาทั่วโลกเหมือนเ <c oughs> อ็กซโปก็เลยจัดที่ชิคาโกเรียกว่า World p พาร i เมนต์แปลว่ารัฐสภาศาสนาโลกสาภาศาสนาโลกเขาก็ถามกันว่าจะเอ า, าศาสนาอะไรไปประชุม คริสเขาเป็นใหญ่เขาบอกว่าเอ า, าศาสนาผู้ปกครองสมัยนั้นก็มีาศาสนาคริสาศาสนาอิสลามศาสนาพลังมไม่ได้อินเดียเป็นอนาณาจิคมของคิสไม่เอ า, าศาสนาพุทธเกื้อ บ, บุเหลือแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ไม่เละกัได้ เขาเรคเข้าไหนยอมรับอยู่สองศาสนาคริสต์กับอิสลามไอ้คนจัดประชุมก็บอกว่าแล้วมันจะเป็นสภาได้ยังไงมีแค่คริสตอิสลามมาประชุมกันต้องไปเอาศาสนาอื่นมาด้วยในที่สุดเขาก็เลยเชิญฮินดูกล่าวได้วิวีการนันท์นั่งเรือไปประชุมที่จิคาโก้สมัยโน้นเป็นเดือนน่ สีลังกาได้อนาคาริคธรรมปาลัไปประชุมประเทศไทยไม่มีแต่ประเทศไทยได้สหภาพไปประชุมอันหนึ่งญี่ปุ่นได้อาจารย์เ็จไปไปประชุมที่ชิคาโกพขประชุมเสร็จอนาคาริคธรรมปาลัสก็คือ คนศิลปการแต่งชุดาขาวๆนะที่เราเคยเห็นเอาไว้ผมอยาขึ้นพูดในนามศาสนาพุทธเป็นที่ถูกใจของฝรั่งอย่างยิ่งอนาคาเรกธรรมปาระดังระเบิดเลยเทรวาตมหายาญได้ญี่ปุ่นอาจารย์เสร็จขึ้นพูดแล้วได้คนแปลเป็นนักศึกษาหนุ่ม แปลดีแล้วเปิดเป็นสาังกฤษชื่อดีทีซูซูกิเป็นนักภาษาอยู่อยู่อเมริกาซูซูกิเป็นร่างเพราะฉะนั้นเราพูดภาษาไทยก็ได้แต่ว่าฐานล่างดีๆเส้นดังระเบิดเลยทีเียพุทธนานีกลายเสร็จพอหลังจากประชุมเสร็จทางอเมริกาเชิญทั้งอนาคาริกรมปาระ ทัานอาจารย์เซนไปเล็กเชอร์ทั่วอเมริกาธรรมปาัะ ก, ก็ดังก็งแต่นั้นมาเป็นเถราวาตส่วนซุทูกิเป็นเด็กหนุกช่วยแปลพุทธ น, นิกายเซนเป็นภาษาอังกฤษทำให้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาพุทธ น, นิกายเซนที่เล่ามา เป็นที่ยอมรับแพ่หลายในอเมริกาในยุโรปตำรับตำลาเป็นภาษาอังกิษมีมากจนกระทั่งในประเทศไทยยังต้องมาปแปลของเขาท่านุูท่าก็แปลสิงคโปรไปเรียนเซนได้รับวิทธิพลเซนเน่ยผ่านทางซูซูกิกลายเป็นว่ากรรมาฐานในประเทศไทยนีย่มีแบบเซ็นด้วยนะโดยไม่รู้ตัว นอกจากสมรรถที่ว่ามานะมีเซนมีวิปัสนาธุระหลายๆอย่างเข้าไปในกันแต่ที่จะพูดที่พูดตรงนี้เนี่ยกำลังบอกท่านวิปัสนาจารย์ทั้งหลายว่าทำไมเซนถึงประสบความสาเร็จในยุโรปในอเมริกาทำไมกว่าวิปัสนาธุระของเราเนี่ยซึ่งเข้าไปตอนนี้เนี่ย กว่าจะเป็นที่รู้จักของฝรั่งเนี่ยต้องรอมาหลายสิบปีเซนเม t เทชัน <Med> ของญี่ปุ่นแซงหน้าเราไปและตอนนี้มหาจุฬาก็ดีผลิตวิปัสนาจารย์มาเยอะส่งไปเนี่ยจะให้ประสบความสำเร็จต้องทำอะไรท่านทั้งหลายเอง สอนกรรมฐ า, านสอนแบบให้ประสบผลสรจจอย่างร่ อ, อชา้านว่าหน่อประผบทำยังไงเมื่อเราดูแนวโน้มทั่วโลกทั้งหมดแล้วเนี่ยและดูความสำเร็จของวิปัสสนาธุรกในยุโรปในอเมริกาทุกวันนี้ ในอเมริกาเราเรียกวิปัสนาเมดิเทชันและบางทีก็เรียกว่าอินไซ t ์เมดิเทชันก็คือวิปัสนาภาวนาวิปัสนาจระที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเดินเดินแนวเดียวกับเซนในญี่ปุ่นเซนของญี่ปุ่นประสบความสำเร็จเพราะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แอปตาย เอามาใช้ในชีวิตจิตวิปัสนาธุรกเข้าไปในยุโรปในอเมริกาลกลายเป็นว่าที่ประสบความสาเร็จมากเนี่ยคือสายประยุกต์สายประยุกต์แบบเสร็จเอามาใช้จริตเป็นที่รู้จักกันมากในยุโรปในอเมริกาทุกวันนี้ เอามาใช้ในชีวิตจริงอย่างไรวิสาขาบูชาโลกปีที่แล้วมหาจุฬาจัดสัมมนาชาวพุทธโลกที่โองค์การสหประชาชาติและก็ที่นี่ด้วยเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องกรรมฐานที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมาถึงจุดปีที่แล้วเนี่ย มหาจุฬาจัดเลยครับเรื่องกรรมฐานเอาวิปัสนาจารย์จากยุโรปจากอเมริกามาเจอกับไทยกับพมา่าพูดกันแต่ว่าขอโทษนะครับใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ที่มหาจุฬานี้ด้วยที่สถาบัชาติด้วยได้มีโอกาสพบวิปัสนาจารย์จากหลายประเทศที่มาสอน และของเราและเราไม่เรียกวิปัสนาจารย์เราเรียกนักปฏิบัติการนั่นกรรมฐานในโยุโรปในอเมริกาเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยมานำเสนองานวิจัยเรื่องกรรมฐานนั่งฟังอยู่ด้วยเลยอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกัน ตำรับตำลาวิปัสสนากรรมฐานที่ฝรั่งเอาไปใช้ไปเขียนเนี่ยเขาทำเรื่องอะไรกันก็ได้พบว่าอย่างนี้ครับเป็นประยุกต์แบบเสร็จทั้งสิ้นเป็นแอปพลิเคเอากรรมฐานไปประยุกต์ใช้ในกิจการต่างๆและประสบความสำเร็จเขามาเล่าในฝัน ที่เด็กมากคือเอาวิปัสสนากรรมฐานไปใช้ในกลุ่มจิตวิทยาเรียกว่ากลุ่มบุดิสไซคลอจีจิตวิทยาเชิงพุตสอนเรื่องอภิธรรมเรื่องจิตเรื่องเจตสิกนี่แหละให้ฝรัง่ง แต่งเรื่อง Meditation โดยเฉพาะ Mindfulness เรื่องสตินี่แหละในชีวิตปจัจหวันสอนฝรั่งในอเมริกาในยุโรปอธิบายด้วยภาคปฏิบัติอธิบายด้วยทฤษฎีผสมกันทั้งภาษาอักีกภาษาไรก็ตาม mm. นี่ก็คือ Buddhist Psychology จิรยานเชิงพุทธศาสนาอธิบายเรื่องจิต น, นี่แหละ แบบที่ถามผู้หลักอีกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จคือบุนดิตไซโคเทเรพีเจิตบางบัดเชิงพุทธเปิดปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยนโรปัตบุนดิตไซโคเทเรพีและมีวิธีการ เอาจิตบาบัดแบบพุทธศาสนาไปใช้ในโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาโลโรคจิตนี่คลินิกจิตเวชเดี๋ยวนี้เป็นกลุ่มย่างเขาไม่เรียกชื่อพุทธละแต่ถ้าเราไปเปิดดูใน Google เนี่ยเขาเรียก mindfulness therapy การใช้สติรักษาจิต จิตบาบัดเนี่ยโดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงมากโปรเฟสเซอร์ก บ, บัดศินเป็นคนเริ่มกระบวนการ d ม u l n e s s Therapy ใช้เรื่องสติลดความเครียด Stress Reduction คนก่อนจะเป็นโรคจิตมันจะเครียดก่อน ก่อนจะฆ่ากันตายฆ่ า, ต, าตัวตายเป็นเครียดก่อนเขาบอกว่าเอากรรมิดฐานโดยเฉพาะวิปัสนาเรื่องสติเนี่ยป้องกันโรคจิตทยอะเลยโดยลดความเครียดลดความเครียดเลยให้จเจริญสติแล้วเขาศึกษาเป็นวิชาตาง โปรเฟสเซอร์ที่มานำเสนอเนี่ยก็เอางานวิจัยงานทฤษฎีที่ไปทำกันทั่วอเมริกาที่ฮันการีกข้ามามีที่ล้วโปรเฟสเซอร์จากฮันการีมาได้พูดถึงกรรมฐ า, านในระดับโลกโดยเฉพาะวิปัสสนาของท่านเนี่ยคีย์เวิร์ดคำเด็ดคือสติครับ m i n d f u l n e s s t ฝรัง่งเขาไม่ใช้คำว่าบโโุรุษ psychology Buddhist psychology กัน เจตุยาเชิญพุทธเจปบำบัติเชิญพุทธเขาใช้เจตุยาที่อาศัยสติเจปบะบัติที่อาศัยสติปุกใหญ่เลยครับแล้วตอนนี้ศึกษากันทั่วโลกและเขาก็อยากให้ที่ปรึกษาาจารย์อย่างเรานี่แหละไปช่วยกันฝึกช่วยทำรีเทรทคือภาคปฏิบัติกำลังเป็นที่นิยม จึงเป็นเหตุให้วิปัสนาธุรกวิปัสนาจาร ย, รยานโทหมหาจรรยาผินไปเท่าไหร่หายไปหมดเลยเข้าไปอยู่ที่ยุโรปอยู่อเมริกาตอนนี้เพราะกระบวนการทั่วโลกเป็นอย่างนี้และขอเล่าต่ออีกนิดเดียวในส่วนของเซนจเจริญเมื่อ50ปีที่แล้วตอนนี้กระแสวิปัสนาของเราเนี้ยเข้าไปแทน อย่างที่เล่ามาอีกกระแสหนึ่งเป็นกระแสวัชรยานของที่บิด้วยอิทธิพลของดาราไรมะเวลาป๊อมาพาม่าเนี่คคนฟังเป็นแสนนะในสนามกีฬาใช่ไหมเมื่อเร็วๆนี้เวลาดาราลามะไปอเมริกาแบบเดียวกันเลยท่านใช้สนามกีฬานี่นะ จัดต้อนรับคนมาฟังไดร์แ ล, แล้วมากทศเพราะท่านในรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพชาวพุทธในอเมริกาเฮ hey, มาฟังกันแล้วท่านสอนเรื่องกรรมฐานกรรมฐานแบบที่เบนครับวัชรยาเน้นสรรมฐานอิธิริปแล้วทำไมมีชื่อเสียงครับ เป็นที่นิยมแบทบทิเบตเนี่ยนะเดี๋ยวนี้แบททิเบตนี่ตีตีตลาดของเส็จไปเยอะเลยวิปัสสนาเราก็ไปอาศัยเขาอยู่เลยท่านอยู่ในประเทศไทยลงไปตามร้านหนังสือจะเห็นหนังสือของแบททิเบตเยอะเลยเดี๋ยวนี้สมัยก่อนจะมีของเ็จเดี๋ยวนี้จะเป็นของริงโอเชดายลามะอยู่ในท้องตลาดฝรังตืน แหมศึกษากรรมฐานแบบวัชรยานวันชรยานนี่คืออะไรครับมนตรยานฟูดมนมีมันละมีอะไรต่างๆสมถทานอะไรครับกระจายไปทั่วแต่ความแปลกของสายวัชรยานที่เบ็ดอยู่ตรงไหนครับตรงเชื่อมกับวิทยาศาสตร์ครับ เชื่อมกับวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ปกติปฏิบัติกรรมฐานอย่างที่ท่านนั่งกรรมฐานกันอยู่นี่นสมมุติถ้าเราบอกว่ารูปนี้ได้ยานน่นี่นี่นี่นี่เป็นสมาธิขั้นปฐมฌานทุติยฌานจติยฌ า, านเจตุฌ า, านอะไรก็ตามพิสูจน์ยังไงพิสูจน์โดยสอบอารมณ์ใช่ไหมครับ ผู้ปฏิบัติแล้วก็สอบก็ซักก็ทำคือสัมภาษณ์แต่ทางองค์ดใหลมาลมะมีวิธีพิเศษพิสูจน์ว่าลามะาที่นั่งกับมาะานมาสามสิบสี่สิบปีเนี่ยจิตพัฒนาขั้นไหนไม่ต้องสัมภาษณ์พิสูจน์ได้เลยครับโดยร่วมกับสถาบันประสาทวิทยาของอเมริกา Neurology Science ของท่านคุณบอและสมิธเดียร์ทำยังไงครับได้โปรเฟสเซอร์ของอเมริกาชั้นยอดที่ทำเรื่องน e u r o l ล g y ประสาทวิทยานิวโรไซส e มาร่วมมือเมื่อสิบกว่าปีก่อนโดยใช้เครื่องวัดคลื่นสมอง eeg mri <c oughs> นี่หใช่มโอ้น่าจะมาช่วยมหาจุฬาเนี่ยมาทำให้วิปัสสนาดังระเบิดบ้างนั่นแหละสิบกว่าปียี่สิ ป, ปีเนี่ยสมัยนะั้น mri ก็ยังไม่พัฒนาขนาดนี้ uh, eeg ก็ไม่ขนาดนี้เอาอย่างนี้ลกลวกันครับเวลาท่านนั่งกรรมฐ า, านเนี่ยจิตท่านสงบแค่ไหนยัง่ะ เขาวัดได้โดยการทำงานของสมองฝรั่งเขาจะวัดติดสมองคาทยวัตถุของฝรั่งนี่คือสมองจิตมาสแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่คลืนสมองเพราะฉะนั้นเขาจะแถบเป็นร้อยจุดนั้นสายก ร, ระยงกระยัยเนี่ยแต่ละจุดนี่จะบอกว่าเหมือนกับมีการขึ้นมีภาพขึ้นว่าสมองส่วนไหนของท่านกาลังทำงานนั่งฟัง นั่งฟังผมพูดเดินะสมองส่วนไหนท่านทำงานเวลาท่านนั่งกับประฐานสมองส่วนไหนทำงานส่วนไหนมันจะหยุดหลอกฝรั่งไม่ได้ครับฝรั่งเขาแท็กเขาแล้วเนี่ยจอมันขึ้นเลยครับผู้ที่นั่งกับประฐานมานานเนี่ยหรือว่าเข้าชาร์ดเนี่ยนะมันจะมีคลื่นสมอง อันฟาเบต้าเลยนะอย่างนั้นแหะคลื่นสมองต่อวินาทีเนี่ยท่านมันจะคิดเป็นไซโคเนะเหมือนกระเทือยวิญญาณเนี่ยนะและแสงมันจะขึ้นถ้าปฏิบัติสมรรถะจิตมันจะสงบแล้วคลื่นสมองจะทํางานน้อยอย่างไรแล้วไปปฏิบัติวิปรัชนาเนี่ยนะจิตสงบจริงแต่ว่าการคิดการรับรู้เนี่ยมันจะกระจาย มากกว่าในในสแกนดิเนเวียเขาแสดงให้เห็นในโดยภาพสมองว่าเวลาท่านเน้นสมถะแสงมันจะอยู่จุดเดียวแต่คลื่นมันจะสกบร เ, เลื่ อ, อนกันไซคล์ต่อของจิตแต่การคิดของวิปัสสนามันจะกระจายสแสดงว่าปัญญาใาญเกิดเขาเดี๋ยวนี้โลกของพัฒนาไปถึงขั้นนี้เลย แล้วองค์ดายลาลามะเนี่ยกล้าให้ลามะในคิเบตมาทดสอบองค์นี้ปฏิบัติกับมาตรฐานมา40ปีองค์นี้30ปีองค์นี้เพิ่งทดลองพอเพิ่งทดลองนี่มันจะเห็นแรแสนว่าเต็มหมดคิดฟุง้งซ่นานขึ้นพอ30ปีสงบลง40ปีขนาดไหนเนี่ยฝรั่งพึ่งเลยเมื่อพิสูจน์อย่างนี้ได้ เอาประสาทวิทยามาผสมกับกรรมฐานทําให้วิปัสสนาธุระของพิเบตตอนนี้เข้าไปตีตลาดในอเมริกาส่วนวิปัสสนาธุระของเราเข้าไปตีตลาดในจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยในคลินิกในโรงเรียนสรุปแล้วเหมือนกันตรงไหนครับต้องอธิบายได้ต้องประยุกต์ใช้ได้ในที่จังหวัด รักษาสุขภาพจิตของคนได้ปฏิบัติกรรมาฐานแล้วคนเครียดน้อยลงคนเปลี่ยนพฤติกรรมจากก้าวร้าวมาเป็นสงบเย็นอย่างไรจากที่ไม่รักกันวิปปิบกรรมาฐานแล้วคนไทยเลิกแบ่งสีครับไม่มีสีอีกแล้วรักกันหมดเลยเพราะกรรมาฐานเป็นเหตุถ้าทำได้นะครับตั้งเป็นเจตนะใหญ่อรญยวาสีเลยนะ เพราะตอนนี้ต้องการประเทศไทยให้สมบูรณ์และลายเสียให้หมดและกรรมาฐานทัน ท, นทีละลายได้ฉะนั้นเราจะต้องบ่วกใ่สังคมก่าเหงาคำที่มาที่นี่เนี่ยออกมาจากสำนักของท่านเนี่ยลองคิดว่าเราจะช่วยสังคมได้อยา่างไรถ้าท่านเน้นแต่วิปัสนาธุระก็อาจจะช่วยได้น้อยหน่อยเน้นแต่คันฐาธุระเรียนแต่ คมพีอยู่ในมหาวิลลยก็ช่วยได้น้อยหน่อ ย, อยสมัยนี้ครับอาจจะเรียกว่ามีขบวนการชาวพุทธอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซนเป็นวิปัสนาในอเมริกาในยุโรปรวมวัชรยางเนี่ยเขาไม่เรียกตัวเองเป็นขันธาธุระเป็นวิปัสนาธุระแหละเขาเรียกอะไรครับ พระพุทธศาสนาแต่เดิมเนี่ยเราแบ่งออกเป็นทันฐานสุระภาษาอังกฤษที่พอจะใกล้เคียงคือ i t e l l e c t u a l b u d d h i s m พระพุทธศาสนาสำหรับปัญญาชนเรียนในมหาจุฬาเนี่ยเป็น Intellectual Buddhism พระพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติการรมฐานเราเรียกว่าเ s o โตรสตริ d บุรีซึมคุณศนาที่เป็นประสบการณ์เฉพาะตนใครปฏิบัติก็ไดเาเรียกเริ คือกรรมฐานต่อมาครับเกิดสงครามเวียดนามเกิดสงครามเวียดนามแล้วเบิดอเมริกานี่มาทิ้งอยู่ที่หมู่บ้านในเวียดนามตุมตุตุมอาจารย์เซน ร, รูปหนึ่งที่สอนกรรมฐานเซนในในวัดใต้หมู่บ้านที่โดนระเบิด กำลังสอนกรรมาฐานแกโยคยีที่ปฏิบัติอยู่พอดีแต่ระเบิดมาลงในหมู่บ้านผู้ปฏิบัตแิแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่าจะต้องออกไปช่วยชาวบ้านที่โดนระเบิดอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าอย่าออกไปเดี๋ยวกรรมาฐานแตกเดี๋ยวฟุ้งซ่านให้ปฏิบัติต่อไป แล้วให้อาจารย์ตัดสินว่ากงองลงจะทำตามกลุ่มไหนระหว่างออกไปช่วยชาวบ้านที่โดนระเบิดกับนั่งอยู่ตรงนี้ต่อไปอาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ศึกษาเป็นเป็นเป็นเชนเป็นมหายอย่างแต่ได้ศึกษามหาสติปัฏฐานสูตร ของเราเรื่องสัพพัญญะสี่ี่ว่าและเป็นผู้แปลสติปัฏฐานสูตรเป็นภาษาอังกฤษด้วยเอาของเราเนี่ยไปสอนแบบเซนแบบประยุกต์อาจารย์ท่านนั้นเมื่อรู้การปฏิบัติแบบวิปปะานาของเราเรื่องสัพพัญญะ4ี่ในสัพพัญญะ4ี่เนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือ โจรสัพชัญญาเวลาไปบินธบาลต้องไม่ทิ้งกรรมฐานท่านคงได้หรอในเวลาเข้าหมู่บ้านไม่ใช่เอากรรมฐานทิ้งไว้ที่ห้องกรรมฐานในวัดแล้วไปบินธบาลก็ไม่มีกรรมฐานคุม้มครองในขณะที่โคจรไปที่ใดก็ตาม ให้มีกรรมฐานคุ้มครองงานหรือที่ที่ไปด้วยท่านอาจารย์เซนของเวียดนามอ่านตรงนี้แหละว่าทำไมไปช่วยชาวบ้านที่โดนระเบิดแล้วจากภาวนาไปด้วยไม่ได้จงไปช่วยชาวบ้านที่บานเจ็มที่กำลังทุกข์พร้อมกับ ภาวนาไปด้วยปฏิบัติกรรมฐานไปด้วยกรรมฐานต้องตามไปทุกที่เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะโคจรไปเรียกมีกรรมฐานซึ่งหมายถึงเวลาปฏิบัติงานก็เอากำฐานมาใช้ในที่ทางา น, นบางคนเวลาปฏิบัติกรรมฐานนี่ดี แต่พอออกจากคอร์สปฏิบัติไปทำงานจริงผีเข้าโกรธมากกว่าเดิมทะเลาะ ก, กันมากกว่าเดิมเพราะกรรมฐานฝากหลวงพ่อไว้จนคนไทยเอามาพูดกันว่ากรรมฐานขี่โกรนสันโดดขี้ขอนี่คือความคิดที่บางคนแยกกรรมฐานเวลาปฏิบัติ ไม่เอาไปใช้ในชีวิตจริงไม่มีโครจรัสสัมปชัญญะท่านอาจารย์ที่เวียดนามที่ว่าเนี่ยให้ชาวบ้านปฏิบัติกรรมฐานในขณะที่ไปช่วยคนที่ประสบทุกข์แต่คุณอย่าไปทุกข์กับเขาด้วยอย่าเป็นเหมือนหมอรักษาคนไข้แล้วสงสารเขา ระยะสุดท้ายอ่ะเห็นเขาทรมานเลยฉีดยายให้เขาตายไปเลยเมอร์ซี่คิลลิ่งอันนี้คือไม่ได้ทำกาารรมฐานครัวเจ้าเบขาไปฉีดให้เขาตายเพราะว่าเขาทรมานมาเร็งอ่ะติดคุกไปหลายคนเลยในอเมริกาเรืองจริงเราเป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยประชาชนตายไปสงสารชาวบ้านเลยเลยมีจิตแพทย์หลายคนเป็นโรคจิตไปด้วย เพราะไม่มีกรรมฐานคุ้มครองเราต้องสอนเวลาไปช่วยชาวบ้านธรรมะกรรมฐานต้องคุ้มพรองพระพุทธเจ้าโพติมัตพุทธเจ้ า, จาตรัสรู้แล้วออกไปช่วยชาวบ้านสี่สิบห้าปีพระองค์ไม่ได้ทุกไปกับชาวโลกแต่ทำตัวเหมือนคนที่อยู่บนฝั่งช่วยคนตกน้ำ เวลา่ช่วยคนตกน้ำํำเราก็ยื่นไม้ยืดอะไรไปให้ทีไม่ใช่โดตนตูมลงไปด้วยไม้ก็ลัดขอจมไปเลยแล้วจะช่วยก็ดูเราต้องช่วยตัวเองไปด้วยพร้อมกันการที่เอากรรมฐานไปช่วยคนในชีวิตจริงโดยตัวเองไม่ตกน้ําเป็นกระบวนการใหม่หลังสงครามเวียดนามเป็นต้นมาจนปัจจุบัน และเขาไม่เรียกคันธุรัฐเรียนทฤษฎีไม่เรียกวิปัสนาธุระอย่างเดียวแต่ให้ถือวิปัสนาธุระนั่นแหละเอาไปแก้ปัญหาไปช่วยความทุกข์ของชาวบ้านเหมือนเซนในญี่ปุ่นเหมือนวิปัสนาในอเริกาทุกวันนี้ทำแบบนี้เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่อินเทเล็กชวลบริสุทธิพระผู้สมณานเชิงวิชาการ ไม่ใช่เอโสธเรกบุธิสึภวิปัสนาสุระพุทธศาสนาแบบกรรมฐานเป็นสัพใหม่ที่เอามาใช้ในวงการพุศาสนาัวโลกปฏิบัติเป็นแบบผสมทสานเรียกกันว่า Engage b u บ d h i s m แปลว่าพุทธศาสนาที่ฮวงใหญ่ประชาชนตัวเองปฏิบัติทำด้วยออปไปโปรดสัตว์เมือพระโพธิสัตว์ด้วย ผู้ที่เอาเรื่องนี้ไปเปผยแพร่เดี๋ยวนี้เขาอยู่ในฝรั่งเศสแล้วตั้งกลุ่มพุทธาสนากลุ่มนี้ว่า e อ g a g e b u ู d h i s m เป็นชาวเวียดนามท่านทั้งหลายก็รู้จักเขาบนเทศนาของท่านผู้นี้มีคนมาแปลเป็นภาษาไทยขายดิบขายดีชื่อปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ ท่านติชานทะะ่านและวิธีการอย่างนี้ท่านเวอร์ท่าไม่ได้เอาบัตรเอาอยางกันนะท่านเวอท่าหลวงพ่อปัญญาก็ออกมาสอนด้วยองว่าท่านหลางอาจจะได้มไม่ถึงเดี๋ยวนี้ถ้าพูดแล้วท่ากนกระจิดเรือเการทำงานคือการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมไม่แยกจากงานไม่แยกจากการเรียนไม่แยกจากทุกอย่างในขณะที่ท่านทำงานไม่ว่าจะเทศจะสอนให้ภาวนาไปด้วยการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนี่คือเทรนต์แนวโน้มในพุทธศาสนาในประเทศไทยที่เอาวิปัสสนาธุระไปใช้หลวงพ่อชาสอนขอรรคอย่างนี้แหละครับจนถูกใจขรรค การทำงานคือการปฏิบัติธรรมการเรียนมหาจุฬาก็จะต้องเอากรรมฐานไปช่วยจึงจะเรียนได้ดีขึ้นเรียนจบแล้วก็ต้องไปช่วยชาวบ้านเราเรียนเรียนแต่ปริยัติว่าคันธุรักเรียนวิปัส เ, เรียนแต่กรรมฐานเป็นวิปัสนาธุรัก แต่การผสมวิปัสนาคันธคันธะเราเรียกว่าสังคหฏุรักส่งเคราะห์ชาวบ้านและพุทธศาสนาในตะวันตกในยุโรปในอเมริกาประสมอัศรินเพราะสังฆาฏุรักเรียนแล้วปฏิบัติแล้วไม่ได้เก็บไว้เฉพาะตัวออกเผยแร่ออกสอนชาวบ้านและนั่นจึงเป็นที่มาของ พระุศาสนาในยุคใหม่ที่ประสงค์ให้พระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายออกมาช่วยชาวบ้านกันมากขึ้นให้ผสมผสานปริยัติปฏิบัติในชีวิตจิตและนั่นก็จะเป็นข้อรูปการที่ยิ่งใหญ่มหาจุาลาลุกรรยวิไลผลิ น, นิสิตบัณฑิตของเราด้วยวัตถุประสงค์นี้ เป็นตั้งปัญญามหาวิไลัยว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมเลี้ยงแต่พุทธนาอย่างเดียวก็ไม่ได้ไปสอนโลกไม่ได้ต้องเชื่อมกับาศาสตร์สมัยใหม่และจิตวิทยาที่ว่ามาและพัฒนาจิตใจของตัวเองพัฒนาจิตใจของคนอื่นช่วยสังคมให้ หลุดรอดคพทุกนั่นก็คือการผสมคันถักธุระวิปัสนาธุระสังาหาธุระเข้าด้วยกันและที่มหาธราเชื่อมได้สนิทดีชะบรารมีจากเจ้ากระคุณสมเด็จเร้าพุทธาจารย์ท่านเอาวิปัสนามาไว้ที่เราไปไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรจะเชื่อมสถาบันวิปัสนาธุระ ที่ท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบได้มีสายงานต่อของเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์และมีการเชื่อมประสานไปยังกรงการวิปัสสนาสุรคันธ์วัดมหาธาตุและญาติโยมสาธุชนที่เป็นศิษยานุสิทธิ์ของเจ้าปคุณสมเด็จมีคุณหมอคุณสมีคุณหญิงสมปองเป็นต้นเจึงทำให้เกิดการ น, นี้ ประชุมกันที่นี่เพื่อปฏิบัติธรรมบูชาคุณของเจ้าประคุณสมเด็จในโอกาสชาตาการ114ปีมหาวิทยาลัยซึ่งมีความกระตัยูรู้คุณสมด็จคุณก็มีส่วนร่วมกัะต่างวิธีในครั้งนี้โดยที่ได้รับกลุ่มประการยิ่งใหญ่จากเจ้าประคุณสมเด็จดังที่ได้กล่า ม, มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเช่น ขอมีส่วนร่วมและในฐานะที่การปฏีก็ขอมีส่วนร่วมด้วยการมากราวปฏิสังขารตอนรับท่านทั้งหลายด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอตัวโมทนาขอบคุณทุกครท่านและในที่สุดนี้ขอเราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตยอธิษฐานด้วยความสําติแห่งการยุกระทา ว, วีทีขอบุญกุศลทั้งปวงที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้ จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะพลวะปัจจัยอุทิศถวายเป็นส่วนบุญส่วนบุญศรเพื่อเพิ่มบารมีธรรมยิ่งยขึ้นไปแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสภมหาเทระในสำปรายพกสมเด็จเจตนาปาร์ของเราทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งบุญบุศร น, นี้และคุญกระสีรัตนตรัยและบารมีธรรของหลวงพ่อสเด็จอาสาะจงมารวมกันเป็นตบะเดชภพลวะปัจจัยเป็นปฏิท hone สนอง ให้ผู้ประถับโรครงการนี้ผู้จัดโรครงการนี้ทุกท่านทุกรูปทุกคนรวมทั้งเราท่านทั้งหลายได้มีความเจริญงอกงามไพบูร์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในรบกธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์จำนองหมายสิ่งใดก็ที่เป็นไปโดยชอบประกอบดีธรรมก็ให้การสำเร็จสมนโนรถุมารปราถนาทุกประการตลอดกาลนานเถอ All uh right. -huh.